อรท่านสาธุชนพุทธบรารสัตวอุบาสกพุบาสิกาผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่3เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันพระ วันธรรมวัฒสวัสดวันฟังธรรมวันมาหาความสุขทางใจมาล่าความสุขทางกายเพราะความสุขทางใจเป็นความสุขแท้ความสุขทางกายเป็นสุขที่่น สุทางกายเป็นความสุขชั่วคราวตาเหลาดาแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ร้อนแต่ความสุขทางใจไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่เย็นวันนี้เป็นวันพรกเจ็ดในวันที่สาธุชน ได้ปล่อยว่าการหาความสุขทางกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันแทนหาความสุขด้วยการให้คือทานการให้นี้เป็นการให้ความสุขแก่ใจ ท, ทําทานแล้วทำบุญแล้วจะมีความสุขใจอเองอบใจ มีความภูมิใจมีความพอใจแล้วก็มารักษาสิ้สิ8ศีลส้ห้าสำหรับผู้ที่รักษาสี้นห้าได้แล้ววันพระก็มารักษาสิ้แปเพราะสิ้แปจะให้เราได้เข้าหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่ ก็เราจะปล่อยวางการหาความสุขทางกายไว้หนึ่งวันเช่นจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราแทนที่จะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนเราจะมาหาความสงบของใจกันหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ เราจึงมาถือศีลข้อที่สาเป็นอพรหมจริยาเวรามณีถ้าเรายังไม่สามารถที่จะถือศีลปรหมจรรย์ได้ก็ถือศีลข้อกาเมย์ไปก่อนคือการเมสุริช า, าราเวรมณีจะไม่ประพฤติผิดต่อเพนี ในเรื่องของการร่วมหลับนอนถ้าจะหลับนอนก็จะหลับนอนกับคู่ครองของตนจะไม่ไปหลับนอนกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสามีหรือเป็นภรรยาของตนถ้าไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองก็จะเกิดโทษตามมาเกิดความทุกข์ตามมาถ้า สามีหรือภรรยารู้เข้าว่าเราพอพืนผิดก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดการเลิกร้างกันอย่าร้างกันตามมาข้อศีลข้อที่สานี้จึงเป็นศีลที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีครอบครัวและผู้ที่ อยากจะปฏิบัติทมที่สูงขึ้นไปถ้าอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่เย็นก็ต้องถืออพร ม, มจริยาเวรานีคือจะละเว้นจากการรื่นเริงนานแม้จะเป็นคู่ครองของตนคือเป็นสามีหรือเป็นภรรยา วันนี้จะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่ก็คือศินข้อที่สาแล้วก็เพิ่มศินข้อที่หกสาหรับผู้ที่อยากจะหาความสุขทางใจไม่หาความสุขทางกายก็ต้องละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจาก เที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารนี้รับประทานวันละครั้งสองครั้งก็รยู่แล้วเฟือพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วที่รับประทานกันหลายมือ้อมากกว่าสองครั้งก็เพราะว่ารับประทานเพื่อความสุขเท่านั้นเองความสุขจากการได้ รับประทานอาหารที่ชอบที่ถูกใจทั้งๆ ท, ที่ร่างกายไม่ต้องการเลยแต่อยากจะมีความสุขจากการลิ้มรสจากการเสพสัมผัสรูปรูปเสียงกลิ่นลดปวดทภพานั่นเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นความสุขทางกายแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมา เพราะถ้าเวลาอยากจะรับประทานอาหารแล้วไม่มีอาหารให้รับประทานก็จะเกิดความทุกข์ตลอนานใจแต่คนที่ไม่รับประทานอาหารเพื่อความสุขทางร่างกายเวลาขาดอาหารเช่นไม่ได้รับประทานอาหารตอนเย็นตอนค่ำก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดจะมีความสุข คนที่อยากรับประทานอาหารเยน็นเวลาไม่ได้รับประทานก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสินข้อที่6กละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วสินข้อที่เจ็ก็คือละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าผ่านทางบันเทิงต่างๆ เช่นไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่งเนื้อแต่ตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรที่สวยงามใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมให้มีกลิ่นหอมเพื่อจะกลบกลิ่นไม่หอมของร่างกายนี่ก็เป็นการหาความสุขทางกาย ซึ่งเป็นความสุขที่เป็นเหมือนควันไฟเป็นความสุขเดียวๆแต่งกายให้สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวก็จะจืดจางหายไปเพราะร่างกายจะมีเหงื่อมีใครมีอะไรต่างๆออกมาหน้าตาที่ได้แต่งด้วยเครื่องสำอางก็จะ ถูกเหงื่อไครนี้ลบร้างไปเสื้อผ้าหรือน้าหอมที่ใส่ก็จะหมดกลิ่นไปกลิ่นที่ไม่ปรารถนาก็จะโผล่ออกมาถ้าต้องการหาความสุขก็ต้องไปอาบน้ำอาบท่าใหม่แล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากใส่น้าหม่องใหม่แต่ถ้าไม่ต้องการหาความสุขจากทางาร่างกาย ก็จะไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องใช้น้ำหอมอะไรต่างๆอาบนะ้ำเพื่อเพื่อรักษาร่างกายให้สะอาดก็พอใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดอวัยวะป้องกันรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วเป็นความสุขที่เรียบง่ายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการ แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องวุ่นวายกับการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆไม่มีเครื่องบันเทิงไม่มีทีวีไม่มีเครื่องฟังเสียงก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขทางใจส่วนเส้นข้อที่8ก็คือให้ละเม้นจากการ หลับหลันอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆที่มีฟูกหนาๆมีหมอนหนาๆเพราะไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายถ้าต้องการพักผ่อนร่างกายนี้นอนบนพื้นแข็งก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่นอนนาน พอเลาล่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพออยู่พอนอนอยู่บนพื้นแข็งก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะๆนะหลังจากที่นา่งกายได้พักผ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกอยากจะนอนต่อเพราะฟูกมันนุ่มมันสบาย ก็จะนอนมากเกินความจำเป็นทำให้เสียเวลาที่มีคุณค่านี้ไปเพราะเราไม่ได้เอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาสร้างความสุขทางใจนั้นเองถ้าเรานอนบนพื้นแข็งพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาเช่นนอนหลับตอน สารทุ่มก็ตีสองตีสามก็จะตื่นขึ้นมาแล้วแล้วตอนนั้นก็จะเป็นเวลาที่มาทําความสงบทางใจได้ดีเพราะเป็นเวลาที่เงียบไม่มีคนทุกพล่านคนนอนหลับกันไปหมดไม่มีรถลาวิ่งไปวิ่งมาเวลานั้นจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ง่ายกว่าเวลา ถ้าทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขที่สุขกว่าการรับประทานอาหารเย็นสุขกว่าการน่่มหลับนอนกับผู้อื่นสุขกว่าการได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆนี่แหละคือความสุขที่แท้จริง เพราะเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปเสมอไม่ว่าเราจะถืออยู่ที่ใดเวลาใดมีร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่ก็ตามเราสามารถหาความสุขทางใจได้เสมอเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองแต่ถ้าเราหาความสุขทางร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้หรือเวลาที่เราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่หาไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้หรือเวลาที่เราไม่ว่าติดภารกิจการงานต่างเราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้แต่ถ้าเรารู้จักหาความสุขทางใจแล้ว เวลาไม่มีเงินทองเราก็ยังหาความสุขทางใจได้เวลาไม่ว่าเราก็ยังสามารถหาความสุขทางใจได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถหาความสุขทางใจได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายนั้นเองเราเพียงใช้ธรรมะก็คือสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธ ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุโทพโธไปเรื่อยๆไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็จะสงบสงบแล้วเราก็มีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่อยู่กับเราไปเวลามันเสื่อมลงเราก็สามารถเติมใหม่ได้เพียงแต่บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปความสุขความสงบก็จะกลับคืนมาอี นี่แหละที่เป็นความสุขที่พูะเจ้าว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสงบของใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศินสินห้าศิลแป หรือสิ่สองร้อยยี่สิบแล้วก็เกิดจากการเจริญสติทำใจให้สงบนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ถ้าไม่ชอบการบริกรรมก็สวดมนต์ไปก็ได้ถ้าไม่ชอบการสวดมนต์ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ ขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อเนื่องเท่านั้นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เราเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเย็นจะสบายแต่เวลาออกมาจากความสงบพอมารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้าะเกิดความอยาก อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คน น, นั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระงับความไม่สบายใจอยากจะให้ใจกลับไปสู่ความสงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คน น, นั้นคนนี้เราไปสั่ ง, ขงเขาไม่ได้ตลอดเวลา บางเวลาเราอาจจะสั่งเขาได้แต่บางเวลาเราอาจจะสั่งเขาไม่ได้ถ้าเวลาที่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราสั่งเขาไม่ได้เราก็จะเสียใจเราก็จะไม่สบายใจทุกใจแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราอยากจะให้ใจเราสบายใจเราเย็น เราก็ต้องหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันของทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานี้มีเหตุมีปัจจัยเราไม่สามารถไปควบคุมเหตุปัจจัยต่างๆได้ เช่นฝนตกนี้ก็เกิดจากการมีเมฆบนท้องฟ้าการจะมีเมฆบนท้องฟ้าได้ก็ต้องมีไอ้น้ําระเหยขึ้นไปการจะมีนะำไอาน้ําก็ต้องมีน้ํานี่คือเรื่องของเหตุของปัจจัยที่ทําให้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งเหตุการณ์ทางธรรมชาติและเหตุการณ์ที่เกิดจากบุคคลต่างๆ คนต่างๆก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำถูกบ้างทำผิดบ้างเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมเหตุการณ์ไปควบคุมให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างดีได้เสมอไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจไม่สบายใจเราก็ต้องอย่าไปอยาดูไว้เฉย อย่างโบราณที่ท่านสอนว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอย่าไปแบกหามด้วยการอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนรืเป็นอย่างนี้เพราะจะทำให้เราหนักอกหนักใจการแบกหามเรื่องราวต่างๆนี้ทำให้เราหนักอกหนักใจภูเขานี้จะใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ไปแบกภูเขา ภูเขาจะไม่หนักเลยแต่ถ้าเราไปอยากให้ภูเขาเป็นอยากอยากให้ภูเขาย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่สามารถไปสั่งให้ภูเขาย้ายสถานที่ได้ฉันใดเราก็จะไม่สามารถไปสั่งให้คนนั้นคนนี้ทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ได้ถ้าเขาไม่ อยากจะทำตามที่เราบอกเขาเมื่อเราบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมทาตามเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาอยากจะทำอย่างนั้น<ม>ก็ปล่อยเขาทำไปผลดีผลชั่วที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นเป็นผลของเขาไม่ได้เป็นผลของเราเราไม่ต้องไปทุกข์แทนเขาไม่ต้องไปวิตกแทนเขา อย่างนี้เรียกว่าการใช้ปัญญาเพื่อรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เศร้าโศกเสียใจไม่ให้หนักอกหนักใจเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้อนนานาจของเราที่เราจะไปสั่ง ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขเราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเขาไม่เที่ยงบางเวลาเราก็หาได้บางเวลาเราก็หาไม่ได้เช่นอยากจะไปเที่ยวถ้าไม่มีเงินก็ไปเที่ยวไม่ได้ หรือถ้ามีเงินแต่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ไปไม่ได้เหมือนกันแต่เราสามารถหาความสุขทางใจของเราได้ด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไหว้พระไปดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องทาทั้งสามอย่างพร้อมๆกับเลือกทาเราอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ใจเรามีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่และคือการสร้างความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเราสามารถเอาติดตัวกับเราไปได้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเราก็มีความสุขได้ แต่ถ้าเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาเราจะไม่มีร่างกายนี้เราจะทุกข์ทรมานมากาเช่นเวลาที่เราจะตายเวลาที่ร่างกายจะตายนี้ใจของเราจะมีความทุกข์มากเพราะเราไม่รู้ว่าจะหาความสุขอย่างใดต่อไปถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วแต่ถ้าเราเคยหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย เวลาที่ร่างกายจะตายไปเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราสามารถหาความสุขทางใจต่อไปได้ในขณะที่ร่างกายกำลังจะตายไปนี่คือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับจากการหาความสุขทางใจเมื่อเรามีความสุขทางใจแล้วสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปจะเสื่อมไปก็ไม่เป็นปัญหา รูปเสียงกลิ่นลดโผภัพักจะเสื่อมไปจะหายไปก็ไม่เป็นปัญหาเข้าของเงินทองจะหมดไปก็ไม่เป็นปัญหาคนนั้นคนนี้จะจากเราไปก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้อาศัยเขาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรานั่นเองเพราะว่าเราใช้ใจของเรานี้เป็นเครื่องมือ ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือก็คือใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะเสริมสร้างให้มีมากๆภายในใจของเราก็คือสติสมาธิและปัญญานี้เองอย่างวันนี้ท่านก็มาอยู่วัดกันเนื่อมาทำบุญที่วัดกัน เวลาเสร็จจากภารกิจที่ศาลานี้แล้วก็ควรทำภารกิจทางธรรมะต่อไปคือจเจริญสติให้มีความะระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธก็ท่องพุทโธพุทโธไป ถ้าให้รู้อยู่กับร่างกายก็เฝ้าดูร่างกายไปไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูอย่างต่อเนื่องกำลังเดินกำลับบงยืนกำลับบนงนั่ ng, นงกำลังรับประทานอาหารกำลังกวาดบ้านถูบ้า น, านไม่ว่าทำอะไรให้ใจเฝ้าดูร่างกายอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติและเวลาไม่ต้องทำอะไรก็นั่งหลับตา แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คืองานที่พวกเราควรจะทํากันในวันพระนี้วันที่เราจะมาสร้างความสุขสร้างความเจริญทางจิตใจกันความสุขความเจริญทางจิตใจนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความเจริญที่แท้จริงเพราะไม่มีวันจะเสื่อมหมดไป ส่วนความสุขความเจริญทางร่างกายนี้เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวเพราะว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความสุขความเจริญที่ได้ผ่านทางร่างกายก็จะหมดไปใจก็จะไปแบบขอทานใจไปแบบคนยากจนเพราะไม่มีความสุขไม่มีรักภายใน ที่จะเอื้อความสุขให้แก่ใจนั่นเองทับภายในที่จะให้เอื้อความสุขกับใจก็คือธรรมะที่เรามาเจริญกันในวันนี้เช่นทางศีล ส, สติสมาธิและปัญญาถ้าเรามีธรรมะเหล่านี้อยู่ภายในใจของเราแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเวลาร่างกายตายไปแล้ว เราก็จะไปสู่ที่มีแต่ความสุขเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างความสุขให้กับใจของเรานั่นเองแต่ถ้าเราไม่ทําบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิไม่เจริญปัญญาเวลาร่างกายนี้ตายไปใจจะไปแบบขอทานเพราะไม่มี อาหารไม่มีซั์ภายในติดตัวไปด้วยนั่นเองไม่มีทานไม่มีสีงไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็จะต้องไปเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นผีไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะว่าไม่มีซั์ที่จะพาไปสู่สวรรค์นั่นเองสวรรค์ก็คือความสุข ชั้นต่างๆมีทั้งชั้นเทพและชั้นโภคณชั้นของพระอริยาจ้าถ้าเรามีทานมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะไปสู่สุคติตามกำลังของศีลสมาธิปัญญาตามกำลังของทานของศีลที่เรามีอยู่ถ้ามีน้อยก็ไปขั้นเทพ ถ้ามีมากขึ้นไปก็ไปขั้นพรหถ้ามีมากขึ้นไปอีกก็ไปขั้นของอริยเจา้าไปขั้นของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอาราหันต์นี่แหละคือชีวิตของพวกเราที่จะตามมาต่อไปขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเราในปัจจุบันนี้ ขึ้นอยู่ที่ว่าเราทาทานมากน้อยเพียงไรรักษาศีลมากน้อยเพียงไรจริญสติสมาธิปัญญามากน้อยเพียงไรถ้าไม่จเจริญเลยเราก็จะไปสู่ที่ต่ำไปสู่อาบายถ้าเราจเจริญมากเราก็จะไปสู่ที่สูงตามลำดับตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นโทคไปสู่สวรรค์ชั้น พระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งหมดนี้อยู่ที่การกระทําของเราไม่มีใครสามารถที่จะมามอบให้กับเราได้เพราะพุทธเจ้าก็ไม่สามารถมอบสิ่งต่างๆที่ดีให้กับเราได้สิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเราได้ก็คือคาสอนวิธีที่ทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีต่างๆเท่านั้นดังนั้น เราอย่าไปรอให้พระพุทธเจ้ามาทำให้เราเพราะไม่มีวันที่ท่านจะทำให้เราได้ท่านทำให้เราได้เพียงแต่สั่งสอนเราเมื่อท่านสั่งสอนแล้วเราก็ควรที่จะนำเอาไปปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้ผลที่เราอยากจะได้กันก็คือจะได้ไปเกิดในสุขติได้เป็นเทพได้เป็นพร ได้เป็นพระอาริยเจ้าขั้นต่างๆได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นขอให้เรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุดอย่าไปเชื่อคำสอนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือเป็นใครก็ตาม ถ้าเป็นคำสอนที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดขอให้เราทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นแล้วเราจะไม่ผิดหวังแลวเราจะได้สิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาหาความสุขแท้ ด้วยการละวางการหาความสุขเทียมไว้ช่วง่าวนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนชัย